เหลยวดูเวลาแล้วนะคะก็เสียดายจริงๆค่ะแต่ยังทำหน้าที่ของตัวเองไม่สมบูรณ์ขออนุญาตสรุปตรงนี้นะคะว่าในการเจริญกรรมฐานเนี่ยนะคะตามข้อมูลที่เราได้รู้ในปัจจุบันนี้นะคะว่า อนาปานาสติบ้างคือมีลมหายใจเข้าออกแล้วก็ระลึกโดยมีคำบริกรรมเช่นลมหายใจเข้าระลึกว่าพุทธลมหายใจออกระลึกว่าโทเป็นต้นหรือมีการเดินยืนนั่งนอนว่าเดินก็ให้รู้ว่าเดินนะคะในอริยาบดเหล่านั้นหรือแม้นการนั่งก็ให้นั่งนานๆ น, น, นั่งทีละสามชั่วโมงบ้างสองชั่วโมงบ้าง หรือแม้แต่การเจริญกรรมฐานในแง่ของให้รู้รูปให้รู้นามพิจารณาในนามนั้นรูปนั้นให้เราลึกรู้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันเหล่านี้เป็นต้นตามที่ประมวลมาเท่าที่ทราบมาทั้งหมดนี้เมื่อได้กราบเรียนถามพระคุณเจ้าแล้วแง่มุมที่ได้คำตอบก็คือว่ากรรมฐานสำหรับคนที่เหมาะสมกับคนในยุคนี้ควรที่เจริญในท่านของฐานและศีลมาเป็นลาดับ เพื่อเข้าสู่ในขั้นของสีลานุสติจาคานุสติน้อมระลึกให้เป็นพุทธานุสติและธรรมานุสติอย่างนี้ถือว่าจะเป็นกรรมฐานสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติในยุคนี้หรือเปล่าเจ้าคะก็คือตรงนี้ก็เดี๋ยวประเด็นตรงนี้ขอสรุปเลยนะก่อนใกล้จะจบนี่ก็คือว่าที่จริงการนั่งนานๆถ้าถ้าเป็นการเป็นการฝึกในเรื่องการเจริญสมถะธรมรมฐานเป็นองต้นเหล่านี้นะี อย่างยกเช่นตัวอย่างเช่นกลุ่มที่จะเดินในด้านของอานาปณะสติเนี่ยเออเขาขับเน้นเรื่องนานซึ่งไม่เป็นไรแต่ข้อมูลก่อนนะให้มีข้อมูลค่อนข้างชา้าศึกษาให้ดีก็จะมีหลักปฏิบัติซึ่งมีครูบาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งวัตรยัยปิฎกอรรถกถาและดีกาด้วยและชานาญในภาคทั้งปฏิบัติผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเนี่ยเป็นการยานามิตรคอยแนะนำํำได้ย่างนั้นก็เออเป็นประโยชน์ป่ะ หรือกรณีการกระทํากรรมฐานทุกชนิดทั้งหลายเหล่านี้นะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่ที่ถ้าชีวิตของพระเนี่ยก็จะชัดเจนแต่ถ้าชีวิตของคารวาทั้งหลายเนี่ยซึ่งมาเสนอตามพระไตรปิฎกและคัมภีร์คําสอนของพระเจ้าเนี่ยเนินมากจะเกี่ยวกับในเรื่องของอนุสติเป็นส่วนใหญ่คือมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารสีราจาคาเห็นไหม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 ซึ่งถ้าศึกษาคำสอนนี้ดีๆเราก็จะเข้าใจบริบทของคาสอนได้อย่างดีฉะนั้นเมื่อสรุปในกรณีอย่างนี้ก็ฝากไว้ว่าอย่างเราท่านทั้งหลายก็ยังที่ได้กล่าวว่าเดินทานกุศลให้เป็นเดินศีลกุศลนี้เป็นเมื่อนั่งณนะอาสนะใดมีเวลาสงบอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้นะเราไปไหว้พระเจดีย์ใช่ที่จริงเคยกล่าวไปแล้วไปไหว้พระเจดีย์ไปละลึกไปมองพระรูป ไปมองพระรูปของพระเจ้าก็ดีหรือพระเถเจดีทั้งหลายไปสักการะบูชามีของหอมมีดอกไม้มีอาหมิตรทั้งหลายไปยืนสามารถหลับตาลืมตาก็เห็นเด่นชัดเลยไปเวียนประทักศิลสักการะบูชาไปเป็นทั้งทานกุศกกาลศีกกาลกุศลภาวนากุศลใช่ไหมทั้งกายกรรมเป็นทานกุศลยังไงกายกรรมเป็นศีกกาลกุศลยังไงกายกรรมเป็นภาวนากุศลยังไงมีความเข้าใจไ้มกรณีแห่งการเดินได้ตามลําดับชัดเจน พอกลับมาถึงที่อยู่ก็น้อมระลึกถึงตนเองยืนเพ่งต้นพระสีมหาโพหรือพุทธเจดีทั้งหลายหรือว่าอุเทสิกาเจดีทั้งหลายก็น้อมเสมอเหมือนหนึ่งว่าตนเองปรากฏต่อหน้าตนเองในขณะนั้นเนี่ยกรรมฐานจะเดินได้ด้วยการอย่างนี้อันนี้คือเดินพุทธคุณธรรมคุณหรือสังคคุณอันนี้ในรายละเอียดทั้งหลายก็ถ้ามีเวลาก็น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 ก็ถือว่าเป็นวันที่มีคุณค่ามากทีเดียวค่ะที่เราได้มารับฟังเนื้อหาธรรมะที่จะได้นําไปใช้ในชีวิตได้จริงๆในแง่ของทานในแง่ของศีลซึ่งรายละเอียดลัดของทานและศีลเนี่ยค่ะน้อมนําไปสู่การเจริญภาวนาคือการน้อมรอลึกให้กุศลเจตานานั้นเกิดขึ้นอยู่ได้หนึ่งเหนื่งหล่อเลี้ยงใจแล้วก็น้อมนําไปจนกระทั่งถึงซึ่งการ ราลึกโดยความเป็นวิปัสสนานะคะในโอกาสนี้นะคะก็ขอเป็นตัวแทนของนักศึกษาทุกท่านผู้ไฝ่ธรรมทุกท่านนะคะที่จะได้กราบขอบพระคุณในกรุณาของพระคุณเจ้าที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อที่จะประกาศธรรมเพื่อที่จะชี้แจงแสดงธรรมเพื่อให้รถแห่งธรรมนั้นปรากฏ ะะเป็นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาคือศึกษาแนะนำอบรมสั่งสอนแล้วก็นอมไปปฏิบัติพวกเราทั้งหลายนั่งลงที่พื้นแล้วก็จะได้กราบพระพอาจรย์พร้อมๆกันและหลังจากนี้เราก็จะสวดมนต์ค่ะน้อมกายวาจาใจนะคะน้อมระลึกถึงกุศลที่เราได้กระทำมาทั้งหมดทั้งมวล ตลอดในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้ได้มีโอกาสฟังธรรมในการเจริญในเรื่องของให้ทานเป็นต้นขอน้อมถวายกุศลนี้โดยความเป็นเจตนาอันบริสุทธินี้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและขอด้วยกายกรรมวจีกรรมที่ปรากฏต่อหน้าพระธรรมอจาจจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่เป็นบาปอกุศลก็ขอกราบอาโหสิ ไวต้ตอหน้าพระรัตนตรยัยซึ่งมีพระคุณเจ้าเป็นตัวแทนในการรู้ร่วงรู้และก็รับรู้ในกิริยาที่จะน้อมขออขออโหสิกรรมนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นความบริสุทธิ์ในการประพฤติต่อไปเพเรากราบพระอาจารย์ก่อน3ามครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะจะขอเข้ามานะคะ mm hmm. กราบค่ะ เราจะกล่าวคำขอเข้ามาต่อพระรัตนตรัยด้วยบทกายเยนะนะคะน้อมลงแล้วก็กราบกล่าวค่ะกายเยนะวาจายะวเจตสาวาพุทธเถกุกัมมังปกตังไมยายังพุทโปฏิคันหาตุอจยานตังกาลันตะเลสังลาวิกตุมวะพุทธเทกายเยนะวาจายะวเจตสาวา ธรรมเมกุกรรมังปกตังมะยายังธรมโมปฏิคันหาตุอัจิยันตังการันตะเลสังลวิตุงวะธรรมเมกาเยนะวาจายวะเจตสาวาสังเคกุกรรมังปกตังมะยายังสังโคปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเลสังลวิตุงวะสังเค อาหังสัมมาสัมพุทโธพระข่าวพุทธางพระข่วันตังอาภิวาเทนิกรสวาขาโตพระข่าวตาธรรมโมธรรมังนัมมาสัมิกร สุปติปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสังพังนะมามิรกรา เ, เรายังไม่ได้อุทิศ ส, ส่วนกุศลกันเลยนะีเจ้าอุทิศ ส, ส่วนกุศลกันก่อนดีกว่านะว่าจะสวดมนต์กันไม่ทันแลนะ้วเนาะอุทิศ ส, ส่วนกุศลอย่างเดียวเพราะเวลาจํากัด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 เช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดี <c oughs> ที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีดดสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลงหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสาม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 สัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้เหใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผงให้แล้ว ข อ, อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงพระนิพพานาความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุ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 สามารถนำกระแสชีวิตของเราทั้งท่านทั้งหลายให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งภายในและภายนอกสามารถเดินฐานศีลภาวนาประชุมทานเจตนาศีลเจตนาเป็นต้นจนถึงภาวนาให้เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตได้จริงๆในชีวิตจริงและน้อมนำไปไปขัดเกาไปประพฤติปฏิบัติสารมาใ้พัฒนาคุณธรรมกวคือทานศีลภาวนา จนสามารถขจัดบาปอกุศลธรรมอลามกคืออกุศลกรรมบทชสิบน้อมอก็หากุศลกรรมบท10คือยึดมั่นอยู่ในกายสุจริตสาวจีสุจริตสีมโนสุจริตสาสามารถพัฒนาศีลสมาธิปัญญาประชุมในอุปจารสมาธิออกจากบาปอกุศลธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิ8ปประการประชุมศีลสมาธิ ปัญญาในปฐมฌาน ท, าทาุติยฌานทัติยฌานจตุตฌานและในรูปฌานสามารถประชุมศินสมาธิปัญญาในอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตานุปัสสนานิพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานินโรธานุปัสสนานและปฏินิสข า, านุปัสสนาสามารถประชุมศินสมาธิปัญญาในมรคลได้ทุกระดับจนสามารถเข้าถึงอนุปาทาปรินิพาน